บุ๊กทูสิบเจ็ดรอบบ้านบ้านของเราอยู่ที่นี่หลังคาอยู่ข้างบน ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Внизу є підвал. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน За будинком є сад. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน Перед будинком немає вулиці. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน б і будинку є дерева. อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่เซโมยักวาร์ตูห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ตุตเยคูห์เนียอีวันนักิมนาตห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ตามเยวิตาลเนียอีสปาลเประตูบ้านปิด หินิแต่หน้าต่างเปิดววันนี้อากาศร้อนเ ь ร г о д н і ปกต์เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นมีโมอ у มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่น เเชิญ น, นั่งค่ะคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นสอิวเตอร์สเตอโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้ น, стоит, ช, นชุดทีวีเป็นของใหม่ Телевізор зовсім новий.